เป็นสิทธิ์เป็นยังที่เราได้เตือนสตสิเศรษฐกิ์เติมนใจมาตลอดรักษากไปมาสามเดือนครบเที่วในวันนี้แล้วเยี่ยมหรอวันออกพรรษามีประวัติเป็นมาประการใดั้นงานทั้งหลายทราบดีอยู่แล้ว การงค่ายวัดสาวาสังามาใสสมัยพุทธกาลนานมาแล้วนั้นได้ดมตามที่เรียกว่าดูธรรมวัดสาในวันเล่มข้ามเดินนทำให้การทำชาดูกระโหลกใจมาสามเดือนแล้ววัดนั้นมาจากไหน พระพุทธเจ้าทงเราเน้นอะไรบ้างเน้นวิชาการขอฝาบท่านทั้งหลายไว้ด้วย <c oughs> มีลูกมีหลานให้เรียนวิชาตาไม่ได้พระพุธทธเจ้า ก, กันจกจักรพัรดิขัมเบลที่แปดรักเต้ไม่มีหาที่เรียนอีกไม่ได้คนระัท่านเน้นตรงนี้ก่อนทายาตามตับพระพุทศาสนา เรียอวาขันทักทิละเรีย น, นจบจบหมดแล้วหาครู อ, อาจารย์สอนอีกไม่ได้แล้วอาจารย์ที่สารามโมกอาจารย์สวามิก็สอนให้หมดแล้วแต่วิชาที่สำคัญจริงๆนั้นไม่มีใครสอนต้องทำเองเพราะฉะนั้นขอฝากญาติโยมไว้ว่า ไม่ลูกอยาอยู่ร้างอยากห่างที่ใหญ่จะหลงทางยังไงให้เยนหนันหงสือให้ได้หามิชาใจตัวลูกเราให้ได้โดยเฉพาะตัวเราเองแต่เหตุใดละ่ะที่พระพุทธเจ้าจะต้องเสด็จบรรพชาเพราะอะไรดีะกระข า, ายถาตสอบรมภ่าสตบไปเยอะเล่จกักอภัพเลขน่ะ เลขจากคาพักเลขสิบแปดโซลัดมงคลเลขทิดเลขจากค่าพักิแปดแปลว่าจดด็อกเตอร์1ิแปดสาขาไม่มีที่เรียนจะไปเรียนที่ไหนก็ไม่ได้เลยนีย่กล่าวท้าทายถึงวังนนี้แต่ทำไมต้องสเสียดบัญชาด้วย เราก็จะตืันเต้นเต้นตืต่นหนีลูกหนีเมียออกไปบวชตัดช่องน้อยเฉพาะตนไปเท่านาั้นหรือไม่ใช่เลยการเห็นเทวผู้ท่านก็มีวิชาถึงจักรพัิเป็นพาราชาจักรพัิแก้ปัญหาไม่ได้เขียงตุกคอลาหุเลงลาหุนออกนะเขียงตุกคอแล้ว โลกคือรอูที่คอล้าจะหิวจะกินอะไรแลว้วก็ไม่สไมาอยากจะกินต้องให้โลกถึงก่อนสรัพย์้มบัติหกคท้าไปไหนก็ห่วงครับห่วงสมบัตรสามมือพยาคือมือสวากายช่วยกะทำงานอย่าทละ ก, ททกันการสอนชัดเจนมากเพียงไปคอก็คือลู เลืกผิว อ, อะไรก็คงหาให้ทานทุกอย่างกระทั่งเอดทุกอย่างก็เอดเอาเพื่อลึกที่เสเด็จบรรพชาเพื่ อ, อจะไปหาวิชาวิชาแก้ปัญหาชีวิตวิชาที่เรียนมาเนี่ยทีแปดดอกเตอร์แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เลยสเสด็จออกบรรพชาไปถึงหกปี ก็จะได้วิชาของสิงมาให้เราบาของสิงเลยไปเรียนการ์การ์ที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีทางแก้คืดไม่มีทางแก้ปัญหาคืดวิชาการเนี่ยใเ น, ในื้อเสดเ้หาเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอแก้ปัญหาคิดแก้ปหาจิตใจให้สงบระงับให้เกิดะนะปัญญาไม่ได้บอกว่าวิชาวิชานี้แก้ธรรมดา ต, ต, ต้องช่วยเองแก้เอง แตงแต่เด็ก้นเองทั้นนั้นการเสด็จไปบางปะชาก็เพื่อไปหาอดอาหารต่างๆทุกอย่างก็ยังไม่พบของจริงว่าเป็นไหนยังจะแ่้ไปอาจารย์สงไข่ราเรดาบทิพกกระดาบกัลามโค้ดเอื่อนโดยอากาศได้ดำเดินได้ก็ยังแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้แต่ขอเจริญพรญาติโยมมีฝ้าเหนียว้า อะไรเหนืะก็แห่งกรรมในโลกมนุษย์ไม่อีแล้วคนกับเวงกรรมที่เราทําไว้ตรงนี้จะเลี่ยงสำคัญมากดังนั้นคือเราเดียกร้อนกันทุกอย่างนี้ยคนนั้นเบียกร้อนมาที่วัดไอหลวงพ่อวัดวันช่วยนะขอแท้จริงไอเบียกร้อนนั้นไม่ใช่คนอื่นทําให้เลยตัวทําเองการเดียกร้อนเนี่ตัวเองทําเองนะไม่ใช่คนอื่นทําให้ มาจะจับตุวให้มันสร้างขึ้นม า, ว, านว่าพุทธเจ้าเน้นวิชาการถ้ามีความรู้คู่กับความดีแล้วนั้นความดีนั้นไปส่งเสริมวิชาการให้แข็งขึ้นให้เด่นขึ้นและให้ขยายความออกไปวิชาการนั้นจะเด่นในทั้งขงถ้าไม่มีความดีขาดความดีลวิชาเขไร้ความหมายเรียนมาก็ไม่เกิดประโยชน์ผลสิุดผลการประการใดเขาไม่หลับเพื่อเวราท่านว่าไว้ แ ม, ม้มือเป็นยาสามารถหยุขคาผู้ประถมก็ตานต่ำฐานเร า, ต, าต้อง อ, อกน้อมถ่อตมตนทนทำงานผู้ใหญ่ต้องคอยาาคใจถึงจะให้เราเตยออกนี้มาทับเจงะแต่บางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่การใดพิชาที่อื่รับพิาจยกาออกไปหาส้อยหาตดข้าวพยาหาร ถึงเหลือแคเองกระดกูกก็ไม่สาเร็จไม่เป็นทางสำเร็จมากแล้วก็เพื่อต่อไปอีกจะหาธรรมะอยาวิชานี่ยจะเกดทง่ไหนหามาหก ป, ปีปีที่หกทุกอย่างภาพกรจ า, ายของเราก็หอะได้เป็น้าคขาย ด, าดันดึงก็ได้แต่แก้ปัญหาไม่ได้ แล้วก็คนอื่นจะช่อยเราทไม่ได้ตัดตัวเราช่วยตัวเอย่างนี้ก็าจะหาธรรมะไม่ได้ยังไม่เรียกธรรมะอยู่ตรงไห น, น <S <S ไม่รลยไม่เข้าใจพร <c oughs> ะพุทธเจ้าเขาคัดเลือรเรียกไหมเมื่อสมัยพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้ามาตัดในโลกถ้าชาวโลกนั้นไม่มีพิพิแต่ไปเพื่อนก็ถือ ไปยุพระเดินบานทารเก่าวเทวดาตามเป็นหลามหาคลากร้าเป็นตัวไปหาผีข้าวจ่าทรงอย่าไปว่าเขามันไม่มีตื้นไปไม่มีตื้ไปไม่มีตื้อไปแล้วมันรู้จะไปพึ่งใครก็ตัดไปหามอดูไปหาผีข้าวจ่าทรงแล้วก็ไปเดินบานสารเก่ากับเทวดาตามเป็นหมากลากไม้หาที่เพึ่งทางใจมันไม่มีตื้นพิ่งจุิงจริงพระพุทธเจ้าไปรู้หมดนะ มันไม่มีไม่ใช่ตีพ้นงานแนนอนเนี่ยถูกต้อลอยปลาทั้งนี้ท่นหน้าปิคาดางานนี้ทนหน้าปิคาดางานเข้ามาติกษายากมาถวายเทดามุ่มน้ำเมรลันฉลาก็มาถวา ย, ย, าาาาวายแต่โดยเจา้าชายเฉยๆมันนั่งอยู่ตรงนั้นประทับที่น่ะก็เข้าใจว่าเป็นเทวดาวก็ถวายก็ไปทั้งขาทองคําเลย เจ้าชายบอกว่าข้าพรเจ้าหามาหกปีนะธรรมะยังไม่พบในวังโกนิสาคาบิกาเขายกไรอธิษฐานจิดเขยว้เข้ามัทิตาญาของมันคณะปิการดาเขยไว้หมดขาดแลขออธิษฐานขาดลอยน้ํำไปบอกว่าธรรมะอยู่ที่ไหนขอให้พบธรรมะในวันนี้ขาดนั้นก็ลอยขึ้นเหนือน้ํากระทั่งถึงน้ำเกลือในแม่น้ําเนรัลัญชาที่ประเทศอินเดีย ลอยขึ้นเหนือน้าไปเลยลอยขึ้นเหนือน้ำแล้วผูโดยสาบอกเอาละขจัจ้าเพ่พธรรมะในวั น, นเจอธรรมะแล้วก่อนทั้งหลายคิดออกไหมขาอยขึ้เหนือน้ำคือฝืนใจเราต้องข้ามแม่น้าในลันทลามีพราโมเลสหญ้าสุขศัคดิ์ถวายตระแตงกรรันนา่งขาตเปลังเลยเอาละวันนี้ยอมตายบนญาสกด นั่งภาว น, นาสมาทานทานเนี่ยไม่ได้ก็ความฝืนใจหนักก็ต้องอาบายก็ต้องคือต้องืนใจให้ได้ต่อไปตามอารมมด้ข้าพเจ้ายอมตาย เ, ย, เยียดมือเหือเที่ยงตาก็ตามข้าพเจ้ายอมตายนับบัดนี้ เ, เลยเฉเี่เลยนี่ตัวธรรมะบางคนไม่รู้มาหน้าสมาท า, า, านี่วามาสบายมั้งเนี่ยมันแหนกระชแชะสบาย ฝืนใจไม่ได้จอยใจตามอารมณ์ตามใจคนตามใจตัวเมื่อบายมุขหาความสุขในสังคมรับรองท่านไปไม่หรอกท่านจะไม่พบของดีของดีอยู่ในตัวเราเองแต่พระเจ้าก็ไปหาเพื่อไม่พบแต่แท้อยู่ในตัวเราเองต้องฝืนใจฝืนใจจิตธมาบอกาติโยมพระสององค์เจ้าไว้คุกนะครับ ถ้าวัดให้ได้สามวัดวัดถูกทำวัดอารมณ์วัดใจวัดจิตไอ้วัดถูกทำเนี่ยละองค์ไได้มาเลยทำสี่ประการทำสี่ประการเนี่ยท่านสอนเองเหตุหนึ่งสอนธรรมชาติถ้พาพระ้าไม่ใช่ธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายพลาดาดจากกาันมีการเป็นของตนเกิดแล้วก็แปลงแก่ันได้มาแล้วแก่แล้วก็ต้องเจ็บ เศรษฐกษัตริย์นีสอนธรรมชาติคนมก้อสองสอนผลสอนเหตุสอนผลเหตุดีแน่ผลต้องดีแน่เหตุไม่ดีแน่ผลจะดีได้อย่างไรดนี่ยนี่ข้อสองสามสอนกดแห่งต่ำทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะว่าใครตัวมันต้องชั่วตัวเองคนอื่นชั่วเราไม่ได้แน่นอน ขา้นสาวพุนและพุทธบริษัทนักกรรมฐานที่ท่านมานั่งนี่ท่ามาื่อตัวเองนะเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอื่นมาช่วยท่านมันจะมานั่งสบายเนี่ยอางก่อนเนี่มาไปกาอีกหน่อยใหแล้วมาทะเลาะกันอีกเนี่ยมันอยากไปซ้ำสร้างตัวเองจังนะความืวยอยู่ในตัวขัานเองแสดงออกมาเลยให้เขาเห็นเลยทางวาจาเห็นทางศีลมารยาะตรงนี้สาคัญมาก เห็นหมอเห็นด้วยปัญญาบางคนไม่มีปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยสาคัญมากมันไป อ, อยู่ในหนังสือหนังสือเรียนเนี่ยเพ่จะทํางานให้สำเร็จไปแต่คนขี้เกียจเนี่ยมันไม่มีปัญญาไรปัญญามากคนขี้เกียจการสอนตรงนี้กฎจันกั า, การซีสอนอะไรด้ได้มาจา ก, น, น, กนางนุชนาสิกดาสอนให้ฝืนใจ อย่าปล่อยไปตามอารมณ์ตัวเองมันเสียผู้เสียคนขมากมายปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจตัวเองอย่างนี้เป็นก็มีความหมายอย่างนั้นท่านก็มาสรุปผมนั่งกรรมาฐานไม่เองคือแม่ข้าแ ม, ม่น้นในลันชลาสาเด็จมาก่ในวันวิสาข บ, บูชาแล้วก็ไปโปรดปรทานเั้าวัครทีครั้งห้าไม่เองตรงนี้เอง ได้ตอนมาเตนางมุกชนาสุาดาขยายข้าวมาตุปาญ า, านางสุยาชาเข้าใจปเป็นเทวดามาบนบานแสงกล่าวแล้วชันหมดเลยทําให้านางสุาดาล่ด้วยเป็มหาเศรษฐีเขาเรียกบ้านสุคาดาคือยืนยันมาเป็นบัณฑิตยืนยันทั้นทั้งหลายถ้าฝืนใจไมาได้ใจมาตามมารมณ์ตามใจ ต, ตัวเองแล้วก็มานั่งกรรมฐา น, า ม, ม, าานมันงานกันแ่ะ เพราะระครังแมงแมงแมงแมงน้อต่อไปออกมาเลยนี่จะตามใจตัวตามใจตรน ต, ต, ตามใจคนคือตัวเองไม่มีอัตนาเหตุตสโนนาโถไม่มีตนไปที่ถึงค น, นต้องไม่ไปที่ถึงตนพระพุทธเจ้าสอนตรงนี้เน้นตรงนี้สอนให้ช่วยตัวเองที่ ท, ท่ามาเนี่ยทํานไม่มาช่วยตัวเองเนี่ยใครเขาจะไปช่วยท่า สอนให้เพิ่มตัวเองสามสอนให้สอนตัวเองเอาสติมาสอนติดตั้งสติอารมณ์ไว้ให้ดีอย่าให้อารมณ์เสียตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากไม่ใช่ว่าทำตามใจชอบนะถ้าไม่กรอบขอบเขตไม่มีวินัยไม่มีระเบียบแบบแผแบบนแต่จะการใดแล้วท่านจะได้อะไรเนี่ยไม่อยอมว่าท่านเป็นล็อกเตอร์อะไใช้ได้เนะี่ยขนาด้องเดชะพิบัติล็อกตอรจกกักรพรรด แล้ท่านก็นยังช่วยตัวเองไม่ได้ต้องไปหาเองวิชากรมาามฐานต้องฝึกเองไม่มีครูการกระโดดไปหามาจากการฝึกนั่งเส้นสายย่งางข้าพเจ้ายอมตายล้มละกุกลเลยเสาเร็จมากผลในลวันนั้นตัว น, นี้เองเจตเจตสิ ก, สกลุบมยุานได้เคยเจริญมบูรณมากแต่อายุแค่ี่ แร้ก็มาสอนพวกเราสิงก็มาที่ปัญญาตาที่ขาสามเท่านัน้นไม่สอนหน้าไม่อสอนใต้ตัวนิพพานแค่ตัวเองชั่วตัวเองยังไม่ได้แล้วจะไปสวรรค์หรือจะไปสุ น, นิพพา น, น, านมนุษย์กับราชาสากัญชาจะเดือดพลอยู่ในโลกมนุษย์หาความสุขไม่ได้แล้วมีแต่ความเดือดร้อนอนนาบตะการแล้วท่านจะรู้เรื่องดีประการใดแล้วไม่ไี้เลยพอสมัยนะที่อาท่านกอไป เปิดปัญุวัตรทีท้งท้าทำไมต้องเปิดปัญญวัตคทีเพราะเขาจะยึดถือในปฏิบัติธรรมมาได้เล็หนีหน้าไปตรวจขัเ้เล็ด อ, อัญญาโกนทะยะอัญญาถือว่าตะโพกนกันเย็โกนัญยะได้ทำแล้วหนอได้ทำแล้วหนอคือมากแตคือสติปัฏฐานสี่นั่นเองสำ ม, มาสติสำ ม, มาส ม, มาธิเขาได้บวชเป็นองค์แรกเป็นปฐมวัลยในโลก เธ อ, อัญญาปนท ย, ยักบยบใบเบือกในพระพุทธศาสนา ด, ดังกล่าวเล้วะท่านโยตนะเราพุทธกาพพไปโจทไปได้บริษัทมากมายแล้ว ม, มันไม่ขมันยาอะไรหรือไม่มันไม่ถึงพุทธมานดามันไม่ถึงพุทธมานดาได้เนีวเราต้องไปโจิดพุทธมานดาโดยดึงที่พการที่พระองคยกระซูออกมาเนี่ยพุทธมานดาสุลมนคด โยกับพระแม่มาติดขามทาแม่งนะโคตมีแต่พุทธมนานดาไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นเทพประดุษเป็นกุศายอยู่ในสูงสวรรค์ไปเกิดเป็นูุ้ศายอยู่สูงสวรรค์พระองค์ก็แงด้ว ย, ยานุ่ถือพระองค์ยาขอพุทธมนานดาอยู่บนสวรรค์ต่อแล้วเทพปรุนั่นก็รนะู้ว่ามาบิดาชา พระลัทธาบุตรคือเจ้าชายสุกัชชาได้พรอบพระทานกับสวัสดิ์แล้วแล้วก็มาตุศีเป็นเทพประ บ, บุในสุนทรี ว, วันถ้ายังตามมาเท้าข่าน้ำเงินอย่างทิษพระคหมาบวดหนึ่งภาษาเดือนแปดแลนดหนึ่งครับอธิษฐานภาษาก็ พระพุทธเจ้าแสดงยมกโสดุธมานดาบบนดาวบนดพิพทตลอดไปมาสามเดือนเลยไม่ขาดโปรดแม่เหมือนท่านนาวกาที่มาบวชในเนี่ยบวชในให้แม่บวชพระให่พอเห็นไหมการโชคดรได้อุตาบวชตลอดพรรษานับว่าครบองค์องของพระพุทธเจ้าไปโปรดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปโปรดสุขมานดา ดาวว่าเดินพิดพบโปรดไว้หมดอะไรด้วยเรื่องท่าพฤิธรรมเจตจะคำเพีคือเจตเจตสึกุณิทานคือประกรมาฐานเนี่ยจเจริญปฏิปทานสี่เนี่ยโปรบที่ประมาณดาทานน้ำปะกาที่มาบวดเนี่ยข่ดทานเจริญประการมาฐานตลอดการคำสาทางกระโปรดแม่โปรดพ่อท่านให้พ่อแม่ได้ทาบุญไปโปรด ยุทธมารดาอยู่ตลอดไปมาสามเดือนพอถึงวันเกิดที่ห้าคำเดือนที่เคือวันนี้คล้ายวันนั้นท่านก็ทามหาปรวาณาบนดาวเด่งที่พุทธมหาปรวาณาคือวันนี้คล้ายวันนั้นปรวาณาเทวนาทั้งหลายพระเถรประบุทั้งหลายก็นั่งฟัง ป, าาปะะัญญาแปลว่าอะไรมหะปาาัญญาคืวันนี้แปลว่ามีธรรมะโดยขดนันติความหมดโทนละตักเตือนว่ากล่าวนะไม่โกรธกันไม่เกลียดกันและไม่ทะเลาะกันต่อไปก็ขอฝากท่านคือเป็นสามีภรรยาอย่นี้นขอให้ปัญญาต่อตามด้วยอย่าทะเลาะกันตามท่านุกประการสอนมาแล้วก็ทําตามอย่างนี้ทำตา ม, ตาม มหาปรวราณาคือวันนี้เหลียวพระเข้ามือทำปวญณาทึ้งการิการเคยไม่โจกกันเมื่อไรก็ตัดเตือนว่ากล่าวกันบ้า้ไปเจอที่ไหนก็ให้เตืยนกันได้ตัดเตือนได้ไม่โจกกันแน่นอนถ้าทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยรับรองไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาไม่สร้างปัญหาแก่ใครถ้าตัวเองก็สร้างความดีให้กับตัวเองตลอดรายการเรื่องเรื่องมหาปวญณาเค่หนึวันนี้น เกวกับพรินญาต่อกันไม่เกิดกันทําไมไม่ทําพิญญาในวันเดือนแปด แ, แล้วยังไม่มีธรรมะยังไม่มีคติยังไม่มีปัญญามหาปัญญาพอมีปัญญาดีแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนปาบหวานตัวอ่อนมือแตหงอกนอมปรั้นอยูเิแค่สุรเบียบเทื่อเ ด, ดินางต่อไปจนได้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เกิดกันต่อไป ไม่เกลียดกันและไม่ทะเลาะกันไม่ท้าความหลังข้าดีจะต่มมาอาดีไม่ลื้อเฟื่อื่อนอื่นไม่เช็คกิจชอบทำท่านนวตาะที่ท่านมาบวชหนึ่งันสามท่านใดบุญมากท่านไม่เคยขาดโบกันนี่แหละที่ล้วตุดกับเทียโคมไปตลอดสีเดือนเลยเมื่อกระเที่มโคลนไปคือสติปัญญาพระธรรมวินัย ไอ้เกิดแสงก็ยาในแบบมหาปัญญาสอกางให้พวกเราที่สววโมนุษย์แล้วการเทศนาวินัยใจมากเหลืออีกสองการจบเนี่ยเก้าสนะิบการที่ปรเพศนะม่เลินี่จบนี่จดวันมหาปัญญาขอพระประสงองค์เจ้าไว้ทุกรูกื่อสุขนแล้วมาบวชเนี่ยไม่เสียทีนะ บวชให้แม่ให้พ่อตามรอยอยปนาบายขององค์พุทธเดตธรรมมาพุจากทำไมไปโปรยแม่ก่อนพ่อทำไมเปิดแม่ก่อนพ่อหน้าจะโตพ่ออนแม่แม่นักมากต้องอุ่นท้องเรามานันวาตวะกะทั้งหลายแจะพอลอเรามาเนี่ยลำบากถ้าจะเอาชีวิตถาไมไหมเรียกว่าบวชเณรให้ก่อน ทำตะปันทิพพระภิกษุนี่ทำปันพาเนนก่อนรับถิงต์ตอนเนนก่อนให้แม่ก่อนแล้บวชพระให้ทอพระเนนบงวัดทำไม่ะคิดแล้วกนน็นอนนอนหลับสบายมากที่มี่ปีสามคลื่นต้องขา้าวบดแต่ท่านข้าไม่คาบแล้วก็รับรองท่านได้ตายมากสามเดือนแน่พระพุทธเจ้ากรามอาภรนาที่บนดาวกันหนึ่งจิตพุ เกิดผู้ธรรมดานกระทัางที่มานดานไปคู่คายนะอยาดงต้องเราคิดเถิดคู้หญิงเป็นผู้ขายอยากคู่ชายไปเกิดเป็นผู้หญิงได้มางงานพระเจ้าก็เอาปัญหา น, นี้มาจากไห น, นพุ้ธรานดานสวรรค์นาครไปเกิดเป็นเจ้าสมุตรอยู่สงสวรรค์พระพุทธเจ้าก็สนะําเร็จแล้วโอษยาณแล้วท่านก็รู้ว่าแม่อยู่ที่ไหน และแม่อยู่บนสูงถดถอยก็รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนลูกจะเป็นพรรมบุตรชาแล้วก็รู้แสดงจะโมกปะปิหาในวันแรงข้ามเบือนแปดขึ้นไปจำพัญษา บ, นาบืนดาจะดึงคุโภตโกรพุทธมานดาทั้งเทพบุตรเทธพทธทิดาเทวดาทั้งหลายและอินเป็นประธานสอนวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยที่โจทย์มาดาไม่ใช่สอา่านหนังสือไปโจทย์กันไปเรียนหนังสือไม่ใช่ ตลอดไกลมากมาดูอย่างสามเดือนเป็นเหมอือนท่าอนอาตมาเนี่ยมาเนี่ยไมเ่เสียทีเลยโปดมารดาบิา ด, ด, ด, ด, ดาเพิ่นบาขบเพื่อโปรดบิดามารดาเง น, นก่อนก่อนจะเป็นพ้าจะเป็นเงินก่อนให้แม่ก่อนแม่ลําบากะพ่ อ, ตอตแตการเอาชีวิตไม่แลกก็จะครอบลูกมาแต่ละคนถ้าใครเป็นโยมผู้หญิงที่มีลูกแล้วจะรู้ดะ ว่าจะไหมตมาไปเด็กโรงพยาบาลไม่มีไม่มีการข่าเพราะมีหมอตั้งแย่ตมาไปเห็นตายคามื่อตมาหลายคนออกรูปตายเนีย่ยเห็นลำบากต่อของแม่เป็นประการใดแม่เอ๋ยแม่ทอลรนีแม่เอ๋ยแม่สะโพกขาแม่เอ๋ยแม่กระพายชายพักแม่สะเพองอนนวตาสาริรัส แม่เอ๋ยแม่พลาีคือแม่เราขายเมุดอาเจียนลงไปแม่พลณีไม่เคยว่าเราเลยคือแม่ของเรานั่นเองแม่เคยว่าดาลูกไหมไม่มีเลยเนะแม่เอ๋ยแม่จะคงคาลูก ก, ก็อกมาก็เอาน้ําตะคงคาเนี่ยอ่าให้ลูกเย็นเป็สุกอน้ําลอกหยอดงอหยดน้ดําให้ลูกแม่จะพายชายพัดเอ๋อ ลูกล้อมาแม่ก็ทัดให้ลูกเย็นย้นอกเย็นใจนั่นคือแม่ตลอดเลยแม่พระองค์คาแม่ของเรานี่ยเองพริพุทสอนแม่เนี่ยมีทักษุนล้นเ่ลือของลูกอยู่ใกล้ลูกมากเกิดแม่ก่อนจึงต้องบวชเนรก่อนไปบวชพระให้แม่ก่อนบวชเนรให้แม่บวชพระให้พ่ออันนี้แม่นอนนี่สิบางคนไม่รู้ แต่ว่าผมไม่ได้บวชเนี่ยบวชลาแล้วก็รับสิ้เงินมาทำไมละ่ะรับถิ้เงินทาไมมาให้แม่แล้วโบสถ์มารดาบิดาบ้นบาข้าโบสถ์เพืเ่อโบสถ์บิาดามารดาเมงก่อนก่อนจะเป็นพ้าก็เป็นเมงก่อนให้แม่ก่อนแม่ลําบากรพาะก็รเอาชีวิตในหลก็จะคลอดลูกมาแต่ะละคน ถ้าใครเป็งยอมผู้หญิงที่นหนูลูกแล้วจะรู้ได้บัดสมาัยตมาเป็นเด็กโรงพยาบาลไม่มีไม่มีการผ่าตอดมีหมอตั้มแย่แตมาไปเห็นตายคามือตอมาหลายคนรอรูต้ตา ย, ยาเห็นลําบาก ข, าของแม่เป็นประธานดแม่เอ๋ยแม่ธรนี้แม่เอ๋ยแม่สะโพงค้าแม่เอ๋ยแม่จะพายชายพักแม่สะเพง ขันนวากาที่รักแม่เอ๋แม่ธรณีคือแม่เราขายมูด อ, อาโจมโยงไปแม่ธะณีไม่เคยว่าเราเลยคือแม่ของเรานั่นเองแม่เคยว่าดาวลูกไหมไม่มีเลยนะแม่เอ๋แม่ประคงคาลูกโตกมาก็เอาน้ำํำประคงคาเนี่ยให้ลูกเย็นเป็นสุกเอาน้ำปอกหยอดนองหยดน้ําให้ลูก แม่พระพายใช้พัดเห๋ยลูกร้อนมาแม่ก็พัดให้ลูกเย็นย้น อ, อกเย็นใจนะั่นคือแม่ตอนนี้แม่พระคงคาแม่ของเราเนี่ยเองพระพุทธเจ้าสอนแม่เนี่ยมีพระคุณล้อนเอ๋ยของลูกดูใกล้ลูกมากจบแม่ก่อนคุณต้องบวชเมรุก่อนเปนบวชละให้แม่ก่อนบวชเมรให้แม่บวชพระให้พ่อ ทำให้แม่มาบางคนไม่รู้แล้วก็ผมไม่ได้บวชเนี่ยบวชแล้วแล้วก็รับถุ่เมงมาทําไมล่ะรับถุ่นเมงทําไมมาให้แม่แล้วแล้วแม่ทําไมต้องอุ้มไกลพอทำไมต้องกบพายบาทรู้เรื่องไหมไม่หรูอบางคนไม่รู้เรื่องเลยแม่ต้องอุ้มไกลก็อุ้มท้องเรามาบื่ให้แม่นะ แม่ตายไปแล้วก็จะได้รับบทส่วนบุญกุศลอย่างนี้พอตาทายบาทบาททายคือพ่อแม่ให้อุ้ักลายคืออุ้มเราคือเราจะต้องไปห่มผ้าในโบสถยแม่ท่างนั้นพ่อให้หุ่ชายคือบาทแม่ให้น้ำเบียดน้ำเหลืองเนี่ยน้ำเบียดน้ำเหลืองเนี่ยเปู่แม่ให้ท้านเราได้จากแม่อยู่ในท้องแม่กินน้ำเบียดน้ำเหลืองของแม่ กว่าจะสิบเดือนพุทมาศเคลื่อนคลาดจากท้องคาถาสสนจะลําบากลำบนหน้าอย่างที่ถุกนะีแหละนวากาเอ๋ยจึงต้องไปโปรดพุทธมานาเวลามาบวชสามเดือนเต็มเนี่ยท่านบวชแน่ยกานให้แม่เหมัอนนะัน้นประทานนั่งกรรมฐานได้ท่านจา๋องน้ำตาล่วงนะแล้วแม่เนี่ยลําบากลำ บ, บ น, นเอเลี้ยงเรามาพอแม่ละเบือเคยติดสัง ให้ลูกตั้งตนศึกษาศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งตนให้ลูกเป็นคนดีนะน้าบ้าโตกหรือลูกนี้ด้อุ่นเฉลี่ยประเกียบบวชให้แม่ชัดแท่ให้เลยเหมือนหลวงพ่อตาตัวพุทธมารดาบนดาววินทนึ่งจะพดโปรตุเรียงอะไรครับธรรมะข้อไหนครับกรรมฐานตื่นวิชาให้ละเกษาเลวมาหน้าขาทันตาตาโตตาโจทันตานะขาลมายืนหนอก้ากลาง เนี่ยไาม่กะธรรมฐานเนี่ยไปสอนแม่ไ้สอนดาวดึงสิภพใจเรากรบสามเดือนวันนี้ทํามหาปวนาบนดาวดึงสิพพคล้ายวันนั้นสองทันกว่าตีมาแล้วนั้นเลยก็เอาชาวโลกทั้งหลายก็จะมามาลูกมีลกูกผุชายต้องบวชให้พ่อแม่บวชก็ว่าเรียน ให้รู้ดูให้ตามทำให้จริงมันตกดมันกจำมันจำมันกดจนงด้ ง, ดงานอย่างนี้มันตกดมันจำเป็นตำราอย่างนี้นี่แหลท่านทั้งหลายอย่าเบียดค้านต่อหน้าที่พระพุทธ้าลำบากอะไรมากมายเยอะเกินออกดองหลงพลายทั้งหกปีก็จะได้พดธรรมะจากมุขนาบุาดาคือผู่นใจขาดลอยขึ้นเหนือ น, น้ําคือผู่นใจทำอะไรหยาบใจไ ป, ไปตามใจตัวเอง กามอารมไม่ได้นะเยียคู่เสียคนโดนในรู้ตัวกับเป็นผู้หญิงแย่มากตามใจตัวอยียคู่เสียคนอันนี้เรื่องจริงทมหาปรารนาบนดาวดุงพิพพแล้วว่าวันรนนุ่งขึ้นแลหนึ่งครับดวงที่เดชขันสาวกเดชลงจากดาวดเดุงแลเดชลงเมืองสังขนคร ขดเดี้ลงมาพวกชาวบ้านชาวเมืองก็ไปต้อนรับไปตากบาดเทิทเดยเย่อโลหะสูตเอาข้าวเนี่ยนะแกงข้นีบ้างพ่อใบตองทำชายท้าวพระที่ขดเลี้ยลงมาตามมรรจามาเนี่ยก็ไปต้็นทหานทั้งนั้นยอมทั้งยี้ข้าวบาดหมดข้าบาดหมดคือเจตนาหางี่คบเวกร ม, มังกับขามิแล้วเจตนาดีโดนยังไงก็ต้องข้าบาด ถ้าเจตนาไม่ดีแล้วโยนก็ไม่เข้าเข้าบาดไม่เข้าแรงความดีเลี่ยกับเทวโรใสพวกเรก็คิดกันหัวแหลมไปทำข้าวต้มโยนเลยเอเข้าต้มขาแล้วใส่บาดมาตอนนี้ใส่บาดองนี้ไม่ได้แล้วครับเทวดามากันเยอะใครโยนเนี่ยเทวดารักษาปโเทวุขานางปโยพรมมามตโมปโยนาคาปีปานานมียนุยางน้มามีหาง เรียกว่ตาตักบาทเทโลโลหะสุดคือวันแรงห น, นึ่งครับเดือนพฤงนี้แหละเราเคยทานกันเรื่อยบตักบาทเทโลก็ได้รู้ประวัติเป็นมาอย่างไรคือพระพุทธเจ้าพระโสด ท, ทูธมารดาตลอดสามเดือนแล้วก็วันลุงขึ้นก็เสด็จลงดาวดึงลงมาพิพิธ เ, เมืองพื้นดินลงบันไดหน้าบันไดทองบันไดเงิน เทวดาตามส่งพระอย็นเป็นประธานแล้วก็ชาวบ้านก็ไปใส่าบาตรเรียกว่าเทโวโลหะสุด ah คือโยนใช้โยนเป็นภาษาบาีกับภาษาไทยก็แปลว่าเอาับขาไปใส่โยนใส่บาตรโยนอย่างนั้นเลยคนไทยเราก็ทิ่ดเดยอดเป็นห่อเป็นขดหูกโยน ามาทำมาเป็นปีม่ใส่บาหน้าเนี่ยเยกเทวโรโลหะมสูตรก็เรียกกันอย่างนั้นระ ย, รยัดความเป็นมาขงปัดบาทเทโรโลหะมสูตรและการแสดงธรรมต่อพุทธมารดาแต่ขอฝากนวาตาวยุย จ, จะยส้าเลนสกัรมาถารได้ตามแนปฏิบัติธรรมโดยสิดสอนไปสิดขาลาเพศไปแล้วก็ถูอตัวไปด้วย รับรองพ่อแม่ประดิษฐ์ใจอาจทั้งหลายยังเป็นพ่อแม่ดูทั้งลูกด้วยอ่ายจะดีใจไหมลูกเดิมานะบวชจนะเห็นพระชายพระเหลียงก้องพระมาตากบาก็เห็นลูกค้ายเรื่องคล้่น อ, อกคลื่นใจบางคนลูกค้ายไม่ลงไปมองดูเน็ตพระเราไปไหนไปเจ็บที่ไปไหนก็คิดถึงลูกคลายพ่อแม่คิดอย่างนะั้น ลูกเราไม่ได้ลงก็แล้วมาเดินมาลงมาสลายประเสริฐสาหรือคายก็ขัดขึ้นอกขึ้นใจได้บุญทางบ้านทางเดชพ่อโยงแม่โยนพี่โยงน้องได้บุญหมดนี่เขาเรียกว่าโบสบวชโปรติดดามานดาแล้วก็การสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนกรรมอาชาก็ขอจากเราทุกคนในกรรมอาชาเนี่ยเนี่ยที่สอนพุทธมารดา ขลรงไปมากเจเจกสึกลูกมีผ่านสื่ออย่างก็คือกสุประธานสืสึกเป็นธรรมชาติต้องติดอารมณรับรู้อารมณ์าม่ได้แประทึกเสียงสึกนี่เป็นธรรมชาติทิดต่ออารมณรับรู้อารมณ์ไม่ได้แต่แค่ประทุกเสียงเจกสึกก็คือตัวอย่างเพ่ต้องการลูกก็คือสภาวลูกผันแปรกระปรอกหลอกวงได้ เกิดขึ้นตั้งอยูดับไปคือนิพากษก็คืนอนหมดที่เหลือตัณหาทั้งหลายเมื่สอสอนตรงนี้ส อ, เอนเกีพุทธมารดาบร์ดาวดินที่พบจิตเป็นธรรมชาติเป็นคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไวิดาเป็นลานาไม่ใช่เป็นทุเสียงนื่แหละท่านวักขาที่ทนาดบวชเนี่ยต้องการจะบวชเจิมารดาบดิดาพ่อแม่กระดืมีใจลูกไปบวชได้พรรษาความจริง ส, ส, งสมพรรษาเนี่ยสมเดือนเทนัน บวชกันมด้แล้บวชให้ได้ถึงหน่อยก็ถึงพาะท่านมันครบเครื่องครบคราวเดี๋ยมืของไม่ครบเครื่องไม่ครบคราวการปฏิบัติกมฐานเนี่ยเป็นยอดในพระพุทธศาสนาครณะกรรมฐานไปเปรดพุทธมารดาเปรดเทพบุตรเทิดปฏิดาดาวรุงที่พบมาเดีวเอาพระาตรปิฎกไปโปรดแต่ประการใดแต่ทุกข์เปเจ้าสอนภาษาจิดเรียกว่าบาลีเนี้ภาษามกขศ จะเป็นภาษา็ลังมางข้าวที่ไหนก็ตามใช้สิกสอนเพ่งสิกสอนแล้วคนนั้นได้มีสมาธิด็จะรู้เองเ้าเรียกสอนด้วยภาษ า, าสิกสิกจะสึกยุทธมีฐานสอนภาษาสิกสิกจเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาท า, านต้องการสร้างอารมณ์นะอารมณ์ให้ดีนะเดี๋ยวนะ ท่าหล้นดีแล้วก็ทําอะไรดีหมดเลยไม่เสืยอาหารใจดีอะารเป็นคนใจดามท่าลงเสียใจสูงอะไรเป็นคนใจต่ำใจงามอะไรเป็ใในใจหน้าคุณไม่ใจได้ใจเป็นคนโรงเรียนคนนิสัยเหนือก็ใเป็นคนน่าพางคนพูดหน้าฟางกลายาเป็นคนพูดเหมือนข่าวอุคนคนอารมณ์ไม่ดีเป็นอย่างนั้นหาความดีความสุกในชีวิตไม่ได้เลยกขอฝ า, ากย่าจอมมาด้วยมีความหมาอยอย่างนั้น การเจริญพระกรรมฐานยอดสูงสุดในกับพิธศาสนาแตงคนไปบวชกันบางวัดไม่เคยย่ากรรมฐานและไม่เคยสอนด้วยสอนตต่บาลูอย่างเดียวเป็นหาปัยญงกันอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีธรรมะไม่มีกรรมฐานขาดสติปัญญามากแต่มาทุกอ ย, ยา่างโยมมาเนี่ยอระร้อยล้หนึ่งก็อะไรนะขอให้ตังใจจริงๆกันกหนักโกรธทำยังไงนะ กรขึ้นมาแล้วอย่า ป, าปล่าความโกรธค้างคืนไม่ได้ต้องตัดปัญหาตรงนั้นตัดปัดปจจุบันอย่าใ้เป็อดีตอย่าให้เป็น อ, อา น, นาคตตัดปัจจุบันแปลวาอะไรโกรดหนอเอาเดี๋ยวนี้อย่าไปแฝ่วันเกินยันนี้หรือพรุ่งนี้ไปแก้ในห้องพระหรือตามในเกดหมุนไม่อด้ต้องแฝ่ปัดปัจจุบันตัดปัญหาโกรธหนอที่นิ่สืออย่าให้ใจยาวๆให้ใจยาวๆไปเดี๋ยงหายโกรธ ด้สติปัญญาจะบอกเราว่าโกรธเรื่องอะไรไมีเหตุผลจะทำได้แม้ไปโกรธเขาเลื่อหน้ า, าเลื่องนะั้นะมันไม่ไร้าสาระตั้งแต่ตั้งมาทันทีเลยแล้วเราจะกลายเป็นคนมีเหตุมีผลมาเจอกันหมดแล้วก็เลิกกันไปเลยโกรธเนอโกรธเนอไปเห็นหน้าอีอกลอเลยก็ลงเสียเลยลมเสียเลยล้มเสียใช้ไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้น คิดอะไรไม่ออกทางกับสอนหมดทุกอย่างเนีลยคิดที่ลิ้นเต๋อด้ว่ยกำเหนิดหายใจยาวยาวตั้งกาหนดคิดหนอถ้าสมาธิมีเป็นหลักสมาธิมีเป็นหลักปั๊บคิดออกเลยลื่อนไปยะตรงสึกษะไปหยุคิดออกคิดตรงนี้ลิ้นเตือเนี่ยบางคนสอนไม่เหมือนกันหาจะยาวยาวกั้งหนดคิดหนอพอสั้งกำนดสุดแล้วับใจได้ปั๊บคิดออกเลย ถ้าคิดไม่สงบวุ่นวายรุ่ง้ารับรองคิดเนีย่ยิดบงปัญญาลแล้วเกิดหลงมันชกิดบางปัญญาไม่ให้เกิดปัญญาในการคิดเพราะเกิ ด, ดสงบเหมือนน้ำในแก้วมันใสจะมองเห็นก้นแก้วอย่างนี้ถ้าน้าขุ่นจะมองอะไรจิตใจเหม่งหม้จิตใจไม่ท่องใสมองไม่เห็นเลยนะ ล่องสุดส ข, ขยายปัญญาได้มองอะไรก็เห็นเห็นหนอเห็นเลือดปัญญาช่นเยืนหนอห้าครั้งเนี่ยก็ได้จากรรมฐานสอนนาฬกาไปหมดแล้วเตีวสาวโรมาะคาทันตาต่าจูจู่ทันต า, า, ตนตานะคาโรมาเตสายวเย็นห้าครั้งพบควรชีวิตค้นสึ่งเลื่อดรับในชีวิตให้ออกมา้เห็นเป็นเตียวปัญญา เราจะได้แก้ปัญหาจะไม่มีปัญหาตะไคร้เลยก็จะไม่มีการทะเลาะกันสามีภรรยาคนนั้นหนึ่งใจเดียวการเป็นเพื่อนคู่คิคดในจุดบางจันค่าขายก็ร่ำรวยคนอารมดีค่าขายร่ำรวยแน่นอนโกระกําหนดกมืออะไรกําหนดทุกอย่างเป็นการฝึกติดให้เข้าครูหลกปัญญา ขาดทันจิดใจเข้าหมองไม่ผ่องใสและไม่เกิดประโยชน์เลยมันมองไม่เห็นมันไม่เกิดแสงสว่างแสงสว่างของกล้าทิพย์หมดแล้วแสงสว่างของไฟฟ้าก็ยังสู้แสงรสว่างปัญญาไม่ได้ปัญญาเป็นแสงสว่างทางจิตทําให้เรามีสติปัญญาแก้ไขปัญหาจะเอาไฟฟ้ามาแก้ไขปัญหาเอากล้าทิพย์มันก็จะไขปัญหาทุกทิศไม่ได้ ขยาสำหรับทำงานมองเห็นโน่นเห็นนีงนี้นอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้แน่อนอนทีุ่ดเม่อสมัยสามปี มาแรงงั้นขายคืนงมาดิ้งคืนแรงเป็นขายายผิตเป็นสาวราจารานต้องเจอหลายคนข้างหนึ่งคือเรงกวางแบนจงกลสมศรีภาษาไทายยางเรื่องเอาได้เดิขวาอย่างนอ้อยซ้ายอย่างนอ้อยคขที่มนก็ติปัญญาแล้วจะพูดรู้เรื่องมาจะเข้าใจง่าย อ๋อเข้าใจความหมายแต่เขาจะเป็นต่างชาติต่างวัฒนาไม่เป็นถ้าเดินได้จะไปปัญญาและอ๋อเดินเพื่ออะไรเดินให้มีสติปัญญาเขาจะรู้เขาเองหรือตัตตินใจที่ตับเพื่นดีรูได้เฉพาะตัวเขาเขาได้ไปอ่านหนังสือใช่ไหมอ่านหสือ สัตว์โลกยอเป็นไะตามการรมฐานสืบมีและกดขันตามปรรมฐานสืบมีแถ้เป็นชาวพลังเสด็จคนที่มีศักดผ์ประสงค์คนที่มีปัญญาจะเข้าใจงนะ่าแล้วก็จะรูกซึ้งเข้าไปทั้งจิตใจเลยพูดดีเข้าใจงนะ่าย พูดล้ายเขาจะยากถ้าคนที่มันทะเาลาะกันมันพูดล้ายต่อกันถ้าคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะพูดดีๆต่อกันเข้าใจไหมอย่าเดินจชกล ง, งอย่าเดินขวาย่างหนอไ้อย่างหนอไม่ต้องใช้ราสาสุดแล่วนะเดินหนอห้าครั้งถ้าเขาเมตตาดีเขาจะรู้เลยว่าเพื่ออะไรเขาจะรู้เลยอ๋อเพื่ออะไรเนกลางใต้หวันมาพูดไทยไม่ได้เลย แม่แม่กรรมฐานในที่ไทยบ้างพระไม่ให้เาไปตั้งอีกต้นใจพระมันก็นเลยกเศรษฐีไต้หักอย่างคุณพ่อมาอยู่สามปีอ่านเศรีไทยออกเสยงเศรษฐไทยได้หมดความเข้าใจของชีวิต <c oughs> อ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายตายด้วยสิจะมีข้อประกอบทุกคนได้เสนาานเป็นหลักฐานนัน คนที่มีสติเดี๋ยวนี่ยูกประสงค์จะไข่าใจกันได้จะเห็นหน้ า, าพับจะเข้าใจนิสัยเป็นยังไงจะรู้ได้เราจะได้ไม่ต้องประสงค์ใจกับเขามันจะบอกหน้าทันทีแต่เรางงใะ้อยังไหรู้จักเท่านั้นเราจะไปนั่งไปสวรรค์นิพพานแค่หน้าอ่านเัว อ, ออกแบบหน้าจะเป็นรูน้นิสัยกัจจัยคนถ้าปฏิกาสอนภาษาศิ เม่สอนภาษาฝลังเศปภาษาอิตาอยเยละมันสอนภาษาจิตทำให้คนเราเนี่ยมีจิตใจเสมอต้นเสมอายและรู้ดีรู้ทั่วรู้เหตุรู้ผลให้หุนใจอย่าไปจอดไปตามอารมณ์ใคเขาเข้าใจเขาอนีได้เป็นทั้งหลายรู้หมดรู้หมดเลยออกมายังนี้ทัดจริง ขอโมทนาวันนี้ก็วันภวนาปัญษาอาวนาก็เสียงไม่ดีหมอไม่ใช่เสียงอดีนรับไปบรรดาที่ไหนเดินที่เนี่ยก็ได้ผ่านทั้งหลายก็ได้เข้าใจว่าวันเตมหมาภาวนาคนที่เข้าพรรษามารดยยังภาวนาไม่ได้เพราะยังไม่มีคัสจึงของมือเทนแตนั่งกรรมฐานาหน้าจอรอพรรษาเนี่ยไม่โกร็ไม่เครียด แล้วก็มาอิจฉานิสยาไม่พูดแท้ไม่พูดจ่อเสียดไม่พูดคำยาไม่พูดเขาเจาะอิจต่อไปถ้าจะพูดใครก็รู้เรื่องนะคนที่ขาดสติปัญญาเราพูดรู้เรื่องยาพูดไม่เข้เรื่องถึงจะทะเลาะเข้าใจควรอย่างเลยเราพูดเรามีความหมายอย่างนี้เขาตาพาไปเข้าใจอย่างนี้ก็ทะเลาะคนที่มีสติดีจนะเข้าใจกันดีว่าเขาเข้าใจอย่างไร เขาพูดกันเขามีความประสมค์อะไรเราจะได้ให้ก็ถูกศาสนาถึงเดยเขียนขึ้นมาคนบ้าอย่าถือคนบื้อย่าไปสอนคนซอนอย่าคบคนจะเปิดบอพอย่ารักคนทักอย่าหนิ่งคนติงอย่าายคนอายอย่าไปล้อคนมางอขอพ่ออย่าโกรธเขเลยคนโกรอย่าเข้าใกล้คนตายอย่าเกลียดคนชั่วอย่าอำพาง เขาไล่มาเราอย่าไปไล่ต่อเขาไม่ดีนาะจงเอาความดีไะแก่เขาควรแก้หนี้ให้ของที่ต้องใารควรพูดเหลือหลายเอาความจริงใจไปสนธนานี่คือกรรมาฐานกรรมาฐานที่ชัดเจนเนี่ยจะรู้ลเลยเนี่ยกรรมาฐานสรุปให้ฟังเลือดสามแต่ใครจะเลียนไปเรื่อยๆอ่ะทําไมหยุดเนื่อตอนนี้ตอนนี้ว่าหยุดมาทําไม ว่าจิตนั้นเกิดตั้งพยานเหตุเกิดย่ท้ทํำอะไรตั้งปฏิวัติจมันจะได้หลักสามประการหนึ่งระลิกชาติจิตจรู้เหตุการณ์ครั้งอดีตที่ผ่านมามันถูกที่อผิดเราจะได้ไม่ต้องไปโทษใครต้องโทษตัวเองดีสุที่เราทาผิดสองรู้กฎแห่งกรรมเราจะรู้กฎแห่งกรกรอมของตัวเองเวลาทํากรรมอะไรว้แน่นอนมันเกิดเองโดย อ, อนันมัติสาม ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแก้ได้โดยไม่ติดฆัาแล้วมัดฉาดาด้บทบนี้ยังอย่อนไม่มีความหมายอีกยังมีฝลังมังค่านะยังพลแรงอยาเขาเป็นประธานาธิบดีลพลเรือนผู้หญิงยู่5้าิบาเนี่ยจะเป็นมีสนใจเรื่องกระมาษทองอให้เดนขวาย่างใต้ย่างคืนพอเดินได้ปั๊เขาก็ใจเย พอเดินให้มีสติเดินให้มีปัญญาเหลกอไดเลือวางผู้หยุดหยุดขาต้องการให้มีส ต, ติปัญญาไม่ละมาดไม่ชลาดไม่ละโอกาสอันดีงามออกมานี่นพัดเต็นมนะในเร า, าจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร <c oughs> แล้วแก้ปัญหาได้ดีดเลยโลกตาวติดยาติดติดในพวกจังหวะกระตุกแม่นากรรมฐานเสียพาถึงมหาตาแทนเม่ตา ความแพ้เมตตาใน้วามร้สติความนรู้สติแพ้ไปทรงเสอยาทรเพื่อตาไปนี่มันก็ได้อะไรหรือมันใช่กะแพ้ิมันก็ไม่ได้เลยลูกเล็กสิญญาบะสามีเลกกระชูสามีเล็กเพ่งการพนนสามีเล็กเดนพลากลับมาเลื่อนสามัคีสร้างความดีนย่างครวนี้คือสรรมฐานกรรมฐานแปลว่าสามัคคีเรื่อนข้าพุกธศาเรื่อใจ การไปประเหตุผลขอ้อเท็จริงในชีวิตของเราให้มีการสวับดีทุกท่ันในชดนี้นะนี่นก็สีนะ่โมงแล้วเดี๋ยวต้องไปทำมหาปรินานในเบทดอย่างที่อธิบายให้ฟังข อ, ขออธิโมันาสาธิกาณจาก ท, ท, ทุกทุกท่านที่เราได้มีโอกาสมาฟังธรรมสงญญาอันพนาน้อยตามมหาลุกศนถึงรันมหาปรินาป็ น, านต้เมื่อเราไม่เกรธกันแนละ้ว เราก็เขื่อยกันเมียเราก็ตัดเตียน้ากล่าวกันได้เรียกว่ามหาพยาทนาเพราะเรามีขันติธรรมนยแล้ววันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมวันเทโยโรหะนสุลาปจะดินคาบาแลาวไล่สายก็ได้ทั้งนั้นเทโยหมายความถึงดางตาเสด็จจักดาวดินจิตพุทธลงที่เมืองแสงขับนครชาวบ้านก็มารอกันที่เมืองนั้น ธรมประจ่าก็เสด็จลงเหมือนย่างคืนวันเนี้ยนะเหด็จประสง์เลงแรมที่ไม่น้ำโขงที่หนองคายไปหมดนยนะเขาจะไปดูอะไรหรือไม่เขาไปดูพญา น, ะนาคบองไฟอามเมยคนาวันมหาปวารนาพญานาะคเขาอย่างปวารนาเลยเนี้ยนะเขาพนไขึ้นมาเขาไม่เอาเรื่อง้วคเขา จลาเพื่อนไฟมากเลยเพื่อนไฟมากเลยนะไปโยงเยดูตั้งนักข่หนึ่งเขาโทรมาบอกโรงแรมไม่มีที่พักบางแห่งจะไปขอสายบ้านเพื่อนนอนสายมาแนะ้่คืนเหลือคืนนี้เสร์วนอาทิยนะ์พยามากพ่นต้องบ้องไฟใครจะไปก็ไป เคยเลยกันแต่เราก็เฮ้ยเราพ่นห้องเราเองดีกว่าเนาะเราก็มีไฟพ้นร า, า, ายอาของเราอย่าไปาพ่นหลยอไอนน้ลาคาพินาโตจาพินามุหาสิะสงงาานะดับมันไปซบดับไปอย่าไปพ่นไฟขออภัอำนาจสิทธิ์แลักะนใจอำนาบูมุุนทั้งหลายเปิสะพานพรองให้ทุกท่าน ในวันมหาปาวานาที่ก่าวมาแล้วการตังต้งตนอานรับสารพอสมควรเกรเวล า, า, ล า, า, า, า, วาแล้วขอบุญกุเป็นบรรดาขทุกท่านจงเจริญรุ่งเรือนพัฒนาสถาพรทุกท่านและทุกขนจนเจริญด้วยอายุวันแม่ถขาดพล า, าปฏิภาันธุสารสมบัติไม่คิดถึงเหตการณ์ใดเฉลิมามมีมาตรางหน า, หาด้วยการถพิกงามน่าอกตตบาดแบบนี้เธอขอเจริญพรทุกท่าน